หลวงตาครับมีคําถามแล้วครับคือเท่า ท, ที่ฟังหลวงตาพูดนะฮะผมก็เข้าใจว่าหลวงตาอยากให้ทุกตัวเราสุดท้ายก็คือเป็นกระจกนะที่ว่าไม่รู้เฉยนะครับรู้แบบสับบรรูนะแต่ว่าความเป็นจริงของทุกคนแล้วเนี่ยซึ่งยังไม่บรรลุัยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยมันก็จะมันจะขุกเป็นตัวเราที่มันมีผู้คิดผู้นึกผู้เป็นขันห้าเป็นร่างกายอย่าเงี้ยเป็นชื่อเราเป็นอะไรอย่าเงี้ยเราก็จะเราก็จะขาหกอยู่ ฉะนั้นเราเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วร่วาง ก, กายเราไปเ อ, อขันห้าเราไปปรุงเป็นโรคกรดหลงหรือเวทนาต่างๆเนี่ยก็ให้รู้แบบว่าเห็นมันเป็นไตรักไปรู้รู้เท่าทานกันไปหรือหอว่ารู้แล้วพยายามปล่อยวางแล้วก็หรือรู้แล้วไม่ยึดไปถ้ามันทําได้มากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเรามีความก้าวหน้าขึ้นก็จะโอกาสที่จะเดินไปสู่ที่เป็นกระจกนะมันก็จะเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ถูกไหมครับ เพร า, า, วานนะว่าถ้าถ้าเราไปคิดกระจกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทำเอาจะได้เฮ้ยทำไงให้เป็นกระจกมันก็จะเริ่มไปทําอยู่แล้วเราต้องเอารู้อย่างเดียวก็คือรู้แค่เรารู้ว่าเรายังยึดอยู่ก็รู้เท่าทันมื่เรายึดอยู่นะอะไรที่เราปล่อยวางได้เราปล่อยวางไปก่อน mm hmm. อะไรที่มันยึดที่มันติดมาข้ามภบข้ามชาติมันยังไม่หมดก็พยายามอ่านใจตัวเองให้ขาดแล้วก็พยายามค่อยๆปล่อยไปที่ให้มันมากขึ้นเห็น เห็นว่าถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆเราแสดงว่าน่าจะมาถูกทางอย่างนีได้ไหมครัก็เป็นหลักการที่ถูกต้องแล้วอันเนี้ยคือต้องไปรู้อะไรก็ต้องวางไปรู้แล้วก็ต้องวางไปรู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็วางไปต้องรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็วางไปวางไปไม่ยึดรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็วางไปวางไปเรื่อยๆวางไป มันจะเมื่อเราปล่อยวางแล้วมันจะเข้ามาถึงใจที่มันปรุงแต่งละเอียดละเอียดขึ้นแล้วก็วางอีกเราก็จะรู้เห็นใจที่ปรุงแต่งละเอียดขึ้นแเราก็จะวางไปอีกแต่ถ้าเราไม่วางหยาบหยาบเนี่ย Ki เราก็จะมีแต่อารมณ์หยาบหยาแล้วเราก็จะไม่เข้ามาถึงใจที่มันปรุงแต่งละเอียดละเอียดแล้วเราก็ไปวางละเอียดละเอียดได้ถ้าเราเนี่ยมันไปยึดหยาบหยาซะแล้วเนี่ยมันก็ติดหมดติดอารมณ์หยาบหยาบหมดแล้วสมมติว่าช่วงนี้เราวุ่นวายมากมาก เราใจเรามันไม่เคยอยู่ปัจจุบันเราก็รู้เท่าทันว่าเราไม่อยู่ปัจจุบันเดี๋ยวสักพักพอเราไม่ไปทําอะไรเดี๋ยวก็มากลับมาเองอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะว่าต้องพยายามให้มันอยู่ให้ได้มันก็ยิ่งไปทําอดีิก็คือเท่าไหร่เท่านั้นแล้วก็ยอมรับมันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นเองแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมครับก็ใช่แล้วหล่ะก็คือว mm, ่าเรายอมรับมันว่าเนี่ยใจมันไม่สบายใจเราก็รู้ว่าใจมันไม่สบายใจเพราะไมนเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่ในขณะนี้ แต่เราก็ยอมรับว่าความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็ดับไปมันเองเนี่ยเราก็มีอะไรเราก็ทําไปเรามีอะไรเราก็ทํางานไปเราก็ทงานไปตามชีวิตประจําวันเนี่ยความไม่สบายใจเดี๋ยวมันก็ดับมันไปเองถ้าเราไม่ยจะถือมันแต่ความสบายใจก็เหมือนกันความสบายใจเนี่ยมันก็ดับไปเหมือนกันดับไปเปลี่ยนไปความไม่สบายใจก็ดับไปเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งถ้าถ้ามันเราเจอเรื่องที่ดีใจหรือภูมิใจเนี่ย ถ้าเราตัดได้เร็วเราเห็นปุ๊บแล้วเราพยายามแบบคล้ายๆว่าเรารู้สึกว่าเราปล่อยได้เร็วจะแสดงว่าเราดีขึ้นใช่ไหมถูกไวมส่วนใหญ่เนี่ยผมสังเกตนะทุกคนเนี่ยพอได้เรื่องที่ดีมันจะรู้สึกกับเอ่อมันจะติดตรงนั้นนานหน่อยฮะถ้าเรื่องไม่เป็นร้ายก็ไม่ตัดเราเมื่เราว่าเราเห็นอะไรก็ปล่อยเขาประกาศมาได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ย เราก็ก็รู้ว่าดีใจก็ดีใจเราก็แค่ดีเรก็รู้ว่าดีใจแต่ว่าพอดีใจไปข้าววันไปตักค่ะไม่พยายามไปต้องตัดมันหรอกดีใจมันก็รู้ว่าดีใจก็ปกติเราก็แค่รู้ว่าดีใจมันก็ดีใจก็รู้ว่าดีใจเราก็รู้ว่าดีใจเราก็ฝึกฝนต่อไปพอมันไม่ได้ไม่ได้ยไม่ได้ตําแหน่งอะไรเราก็รู้ว่าเราเสียใจเราไม่สบายใจเรายังไม่ได้เป็นอรหันนี่ยเราก็รู้ว่าเราเนี่ยไม่สบายใจ ไม่สบายใจดีใจเสียใจเป็นเรื่องของธรรมดาปกติเราก็ฝึกฝนมันฝึกฝนเข้ามาอีกว่าดีใจเสียใจเป็นอารมณ์แล้วก็เข้ามาหาผู้รู้อีกผู้รู้ใครใครลรู้ว่าดีใจใครรู้ว่าเสียใจอคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราดีใจเราเสียใจเหแต่ไปสังเกตเห็นใบหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสหม่นหมองคนอื่นเขาก็สังเกตแต่ใบหน้าแต่เขาสังเกตใจเราไม่ออกว่าอว่าใจเป็นอย่างไร แต่เราที่เป็นคนรู้ว่าในใจเราเนี่ยดีใจอยู่เสียใจอยู่เขาหาผู้รู้ดีใจเสียใจแล้วก็จะเห็นว่าผู้รู้ดีใจเสียใจมันคิดปรุงแต่งจ e พูดได้บนได้ผู้รู้อารมณ์เนี่ยมันจะพูดได้บนได้วิเคราะห์วิจาร์วิจัยได้พูดอยู่คนเดียวได้เนี่ยเราก็เข้าหารู้อะไรเขาเยาะเยทวนกระแสเข้าหาผู้รู้รู้อะไรเขาทวนกระแสเข้าหาผู้ ites, ร, รู้แล้วก็ปล่อยวางผู้รู้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้ ผู้ร <Luis ering> ู้ตัวนี้ก็คือผู้รู้ที่ยังยึดอยู่นะครับผู้รู้ที่ว่าเข้าหาผู้รู้ตอนแรกเข้าหาผู้รู้ก็คือว่าผู้รู้ที่ยังยึดเออมันจะเป็นตัวมันจะเป็นจิตวิญญาณอาคารเป็นขันอยู่มันเป็นขันห้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดผู้รู้ตัวนี้มันเป็นเรื่องของจิตหรือวิญญาณอัคารในขันในขันห้ามันไปรู้ว่ามีอารมณ์อย่างไงมันก็ต้องจิตวิญญาณอาคารเนี่ยก็ต้องไปรู้ธรรมอารมณ์คือความดีใจความเสียใจเนี่มันเป็นธรรมอารมณ์ให้ผู้รู้เนี่ยมันก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้ดีใจตอนนี้เสียใจ พอ ม, มันรู้ดีใจเสียใจมันก็ต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารทํา ง, งานเรื่อ ง, องเอจตสิกคือเออมันก็มันก็ถูกใจความดีใจก็ต้องถูกใจความไม่ความเสียใจมันก็ต้องไม่ถูกใจมันก็มีสุขเวทนาทุกเวทนาอนทุกรรมสุขเวทนาสัญญาจําได้หมายรู้ว่านี่คือดีใจนี่คือเสียใจคือสังขารคือคิดปรุงปุงคิดมันจะพูดอยู่คนเดียวหมือนคนเดียวในใจยุกคิกคิ เราก็มารู้อยู่ในใจคนเดียไม่ว่ามันจะมีดีใจเสียใจยังไงเราอย่าไปพยายามไล่ดับเวทนาอย่ามมดไปไล่ดับอารมณ์มันมีเวทนาหรือมีอารมณ์ให้ย้อนเข้าหาผู้รู้แล้วก็หาผู้รู้ผู้ที่รู้อารมณ์มันจะทําจุ๊บจิ๊บจุ๊บมันพูดได้บ่นได้เลยในใจพูดอยู่คนเดียวในใจได้แล้วก็รู้เนี่ยรู้ไอ้ตัวเราที่พูดได้บ่นได้แล้วเราก็ปล่อยวางปล่อยวางให้ตัวเราที่พูดได้บนได้ในใจตลอดเวลา ถ้าเราเนี่ยตามอารมณ์ไปเราร the ู้แล้วเราตามอารมณ์ไปเราไม่ทวนกระแสเข้ามาเราพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไปตามอารมณ์ตลอดเรารู้รูปเราก็ไปกับรูปลู่เสียงแล้วก็ไปกับเสียงรู้กินแล้วก็ไปกับกินรู้รแล้วก็ไปกับรถรู้สัมผัสเราก็ไปกับสัมผัสรู้ความคิดแล้วก็ไปกับความคิดรู้อารมณ์เราก็ไปกับอารมณ์เราไม่ทวนกระแสก็หาผู้รู้ผู้รู้รูปผู้รู้เสียงผู้รู้กิ่นผู้รู้รถรู้รถผู้รู้อารมณ์ผู้รู้ความคิดเราไม่ได้ทวนกระแสก็หาผู้รู้ ไอ้เรารู้อะไรเราต้องทวนกระแสก็หาผู้รู้ผู้รู้เนี่ยนะคือจิตหรือวิญญาณขันจิตหรือวิญญาณขันที่ไปไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ทําอารมณ์พอรู้เสร็จเขาก็จะต้องส่งต่อทวนกระแสเข้ามาหาผู้รู้คือจิตวิญญาณขันรู้แล้วก็จะต้องทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารคือทวนกระแสตัวกระแสเข้ามาหาผู้รู้ผู้รู้ทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารพอรู้อะไรนะก็จะต้องถูกใจไม่ถูกใจสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็จําได้หมรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็คิดปรุงปรุงคิด ก็จะมาปรุงอยู่ในใจอ่างจุ๊กจุ๊กอย่านี้เนี่ยก็แค่แค่รู้อยู่ในใจนี่แหละรู้อะไรก็แค่รู้อยู่ในใจมันเกิดที่ใจทุกอย่างเอามาปรุงในใจปรุงอยู่ในใจแล้วก็ดับไปที่ใจเอามาปรุงอยู่ในใจแล้วก็ดับไปที่ใจทุกอย่างเนี่ยมันเอามาปรุงในใจหมดเนีะเราเนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางที่ใจเราก็จะรู้หมดแหละว่ามันไปรู้อะไรจะต้องเอาเข้ามาปรุงในใจ รู้อะไรมันจะต้องเอาเข้ามาปรุงในใจเราก็สักตะวันรู้สักตะวันรู้สักวันรู้ในใจเราเน่ยรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อในใจของเราไม่ใช่ว่าเราเป็นไปพยายามรู้ซื่ซื่อเอาตัวเราพยายามไปรู้ซื่อซื่อข้างนอกเรารู้ซื่อซื่อในใจของเราแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราพยายามไปรู้ซื่อซื่อข้างนอกเอาพยายามมาตัวเราไปรู้ซื่อซื่อรูปรูกเสียงรูกกิ่นรูกรสรูกสัมผัสเราต้องรู้ซึกซื่อภายในใจของเราเองเนีเรารู้อะไรมันจะต้องมาคิดปรุงในใจเนียแน่ไม่ว่าเราจะเราไปเห็น คนสวยคนหลอ่อคนอย่างงู้นอย่างนี้ก็ต้องมาคิดอะไรในใจเรานะี่ะมาคิดปากคิดพูดคิดปรุงอยู่คนเดียวในใจไม่ว่าจะรู้อะไรไม่ต้องมาพูดออกมาปากสมมุตินั้นท่านไปไปทานอาหารสมมุติอ่นนะไปทานอาหารพัตการขอเข้าใส่อาหารเอาอาหารมาเสิร์ฟเงีย้ยเขาน้องเห็นโอ้ยควันฉุยมันหอมเนี่ยจมูกก็ได้กลิ่นตาก็มองเห็นเนยแค่นั้นแนหะในใจของท่านต้องคิดแหละเขาคิดว่าอะไรโอ้โห ไอ้นุ่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่โอ้โหไอ้นี่ปลาเนึ่งโอ้โหไอ้นี่ไอ้นุ่นไอ้นี่อยะโอ้โหท่าทางอร่อยจริงๆก็พูดอยู่ในใจอยู่คนเดียวเนี่ยแหละแล้วเราก็เห็นนี่ยมันพูดอยู่ในใจแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่เพื่อความพ้นทุกเนี่ยเขาก็จะรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้เขาก็ไปกับปลาไปกับอาหารนี่เขาเอามาเสิร์ฟกินหอมถุยเนี่ยก็กินไปพูดกับไปเลยกิน้ก็ไปพูดกันไปแต่สำหรับผู้ที่พ้นทุกเขาจะดูใจของตัวเองว่าพูดอะไรขณะที่กินเนี่ยมันพูดอะไรอยู่ อร่อยมากเลยโอ้โหร้นนี้ฝีมือก็ดีมากโอ้โหร้านนี้ฝีมือไม่อร่อยไม่สมราาไม่สมชื่ออะไรไม่ไจะพูดหรอมันอยู่ในใจนั่นแหละแต่คนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือมันก็ไปกับที่ตาเห็นไปจมูกได้กินโออาหารหอมชุยมาเลยตามองเห็นได้นู่นมาเขาใส่เขาอันนี่มาเสิร์ฟโอ้โหหอมมากน่ากินแล้วก็พอไนกินเสร็จก็พูดไปและวยินแต่ก็พูดไปแต่มันไม่ดูใจตัวเองตั้งแต่ที่ตัวเองอะตามเห็นจมูกก็ได้กินแล้วก็ลิ้นก็บลิ้นรสเนี่ยมันพูดอะไรอยู่ในใจ พูดอะไรไม่จะพูดตล อ, อ <quelques> ดเลยแหละทุกคนมันต้องพูดตลอดแต่เราไม่เห็นเองมันสะเก็ดเองแต่นี่ถ้าเราเห็นว่าเราพูดอะไรคิดอะไรปรุงแต่งอะไรต่อไปพอเราฝึกจนชานาญแล้วเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันคิดอยู่คนเดียวอย่างไรคิดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวถ้าเราปล่อยวางหมดก็เรียกว่าปล่อยวางตัวเราที่ถูกรู้ปล่อยวางตัวเราที่ถูกรู้ไอ้ที่ให้มารู้ตัวเร า, ามมทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อว่าให้มาเห็นตัวเราเนี่ยจนถึงละเอียดที่สุดคือตัวที่คิด คิด ค, คิดอยู่ในใจพูดอยู่ในใจอยู่คนเดียวได้แล uh ้วเราก็ปล่อยวางตัวเราที่ถูกรู้หมดแต่เราปล่อยวางตัวเราที่ถูกรู้หมดเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นรู้ตัวเราที่ไม่ใช่ตัวเราเองแต่ไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเราอะที่ถูกรู้เนี่ยไปควานหาไปพยายามหารู้ตัวเราเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยไปพยายามควานหากระจกกระจกเงาใสที่ไปทําใจเหมือนกระจกเงาใสที่มารู้ตัวเราอันนั้นไม่ใช่ คือเราทำไม่ได้ใช่มครัจะการมันปรุงแต่งเราต้องเนี่ยเห็นตัวเราที่มันเลยเข้าไปจนถึงเนี่ยมันตัวเราที่มันเข้าไปถึงจิตและวิญญาณอคติเนี่ยที่มันทาหน้าที่ร่วมกับเจตติกิคือมันรู้อะไรมันก็พูดได้บนได้คิดประตองได้วิเคราะห์วิจารวิจัยอยู่ในใจของเราเนี่ยจิ๊งจิังจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊รจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ่งจิ่งจว๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ การที่เรารู้ตัวเราแล้วเราสักตวารู้ตัวเราเนี่ยแหละเท่ากับเนี่ยไอ้ที่สักตวรู้ตัวเราเนี่ยแหละนั่นแหะคือเป็นผู้ที่รู้ตัวเราไอ้การที่เราสักตะวารู้ตัวเราเนี่ยแหละเราไปเป็นผู้ที่รู้ตัวเราโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเราขันห้าเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยไปควานหาไปพยายามหาผู้ที่มารู้ตัวเราเพราะไอ้นั่นมันไม่มีตัวมันไม่มีตัวตนเราหามันไม่ได้หรอกแล้วมันน่ะมันทําหน้าที่รู้ตัวเรามันไม่ได้ทําหน้าที่ให้เอาตัวเราที่เป็นขันห้าเนี่ยไป ไปหไปร le ู Weil, fellows, ้มันเอเพราะว่าไอ้ท e ี่ร so ู้ตัวเรามันทําหน้าที่รู้ตัวเราแต่เราจะพยายามเอาขันท่าไปไปย้อนกลับไปรู้มันเนี่ยเราเราทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าไอ้นั่นนะมันเป็นมันเป็นหน้าที่รู้เราจะเอาขันท่าไปรู้มันไอ้ขันท่าของเราละเลยการเป็นปรุงแต่งแล้วหลายคนปฏิบัติผิดก็พยายามเอาขันท่าไปควานหารู้เดี๋วมันจะไปหาได้ไงเพราะว่าไอ้นั่นนะมีหน้าที่รู้ตัวเรารู้ขันท่าแต่เรากลับจะย้อนทําผิดธรรมชาติเอาขันท่าไปไปย้อนหาผู้รู้ที่มันเหมือนกระจกเงาใสที่ว่า มันรู้ซื่อออมันจะเป็นรู้ซื่อหรือว่าศัตรารู้ได้ไหะมีวิธีเดียวเท่านั้นคือเราเนี่ยรู้ตัวเราจนถึงละเอียดเข้าไปถึงจิตหรือวิญญาณขันที่ทําหน้าที่ไปรู้อะไรแล้วมันก็เข้ามาพูดออกภากในใจรู้อะไรแล้วเขามาพูดเอกภากในใจจนกระทั่งมันพูดภาคละเอียดมากคิดละเอียดปานใดก็ตามมันไม่สามารถหลุดพ้นจากรู้ได้เลยหลุดพ้นจากตัวเราที่มารู้ตัวเราได้เลยไม่ว่ามจะคิดปรุงแต่งละเอียดยังไงก็ตามไม่สามารถหลุดพ้นจากไอ้ตัวเราที่มารู้ตัวเราได้ อังนั้น ujin, ตัวเราที่ถูกรู um, want, ้เนี่ยถ้าเราถูกปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาหรือรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆถูกปล่อยวางตลอดเวลาเราก็จะกลายไปเป็นผู้ที่มารู้ตัวเราอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเองนะงนั้นวิธีที่จะพบรู้ได้คือต้องปล่อยวางสังขารเราเองเนี่ยสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตเราปล่อยวางให้หมดพอทุกขณะที่เราปล่อยวางกันเนี่ยไม่ว่ามจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนากุศลเราสักตะารู้สักตะารู้ซื่อๆสักต่ารู้ซื่อๆ คือคำว่าสักตะวรู้คือไม่ไม่ไม่คล้อยตามไม่หลงติดไปกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ไม่ไม่หลงไม่คล้อยตามไปกับความคิดไม่ไม่หลงไปกับอารมณ์ไ ด, ด้แต่รู้ซื่อแล้วว่ารู้ซื่อ ก, กอ็ไม่พยายามไปดิ้นรนผักไสเขาไปดับเขาแต่แต่รู้ซื่อรู้ซื่อ อ, อย่างเดียวนั่นแหละก็เท่ากับปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็จะเป็นผู้ที่รู้ตัวเราโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปควานหารู้มีหน้าที่ปล่อยวางตัวเราที่ถูกรู้เราก็จะเป็นรู้นั่นแหะโดยอัตโนมัติ เป็นผู้ที่มารู้ตัวเราที่ปรุงแต่งไม่ได้โดยอัตโนมัติเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้สรุปเนะีชัดๆให้ชัดๆถึงใจหน่อยสิเข้าใจว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรอลไรสักอย่างฮนะให้รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยแล้วก็หรือว่าไม่ยึดเข้ามาถ้ามันจะยึดเราก็พยายามเตือนตัวเองว่าเอาละเป็นขันห้านะอย่าไปยึดมันนะอะไรเงี้ยมันเป็นปรุงแต่งเพราะเราไม่ใช่ตัวเรานะอะไรเงี้ยตัวเราที่แท้จริงมันเป็นแค่กระจก อันนี้มันแค่ตัวปลอมก็แค่เตือนตัวเองแคนั้นก็จบแล้วไม่ต้องทําอะไรมากนะยถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่เัง่อแกได้ดีนะรู้รู้หลายคนเนี่ยมันเป็นรู้ตัวปลอมคือไอตัวเราที่คิดได้บนได้พยายามได้แทรกแสงได้อยากให้เป็นอย่างอยากให้เป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไอ้รู้ไอ้ของส่วนใหญ่ที่รู้ของทุกคนเนี่ยมันเป็นรู้ตัวปลอมมันเป็นรู้ที่อยากให้เป็นอะไรได้ ม h, days, hmm. ันไม่ได้เป็นตัวเราที่ถูกรู้มันเอาไอตัวเราเนี่ยไปเป็นรู้ตัวเราเองมันเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยไปไป็นพยามเป็นผู้รู้เพราะว่าเราต้องเกณดูดีนะว่ามันจะเราเนี่ยเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้หรือว่ามันเอาเป็นรู้ตัวเราถ้าเราเนี่ยพยามเอาตัวเราไปเป็นคนรู้เนี่ยมันจะมีการแสงแสงได้มีการปรุงแต่งได้มีความอยากได้มีความปรารถนาได้มีความไม่ได้อย่างใจมันรู้มันเองใจแล้วมันหงุดหงิด มันหงุดหงิดมันไม่รู้ไม่ได้อย่างใจมันรู้แล้วหลงได้รู้แล้วพยายามไม่ให้หลงได้รู้แล้วหลงได้รู้พยายามไม่ให้หลงได้อันี้มันมันหลงได้พยายามไม่ให้หลงได้มันไม่ได้เป็นรู้นะอันนั้นแทบมันเป็นตัวเราที่ถูกรู้อยู่เพนั้นพาเป็นรู้จริงๆอสังเกตได้ดีเนี่ยมันที่รู้ตัวเราคือมันปล่อยวางตัวเราทั้งหมดเลยทีุกคิดทุกอาการไอ้รู้นั่นเนี่ยมันจะมันได้แต่รู้อ่ะเนี่ยมันมีการคิดการพูดการกระทาแต่ไม่มีใครไปติดแต่อยู่ๆเราเอาตัวเราที่คิดได้ไปเป็นรู้ ที่มันปรุงได้เราต้องเก็นดูเอ้ยเรานั่งปรุงสงสัยนด้ลนค้นหาอยู่ น, นั่นแหละนั่งรู้นั่งวิเคราะห์อย่างนี้ใช่เปล่าอย่างนี้ถูกก็ผิดเอ้ยหรือผิดจะถูกจะรู้อย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อ่ะอยู่ๆที่รู้มันนนทมาที่รู้แบบเหมือนกักระจกอะมันเคลื่อ น, นที่ไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ก็เพื่อไหวตัวอะไรไม่ได้ทําไมมา น, นั่งคิดจ่อยจอยจอยจอยนั่งคิดอยู่คนเดียวนะนั่งวิเคราะห์วิจารวิจัยเอ้ยมันรู้อย่างนี้หรือเปล่ารู้อย่างนั้นหรือเเเปลล่่่่าาารรรู้อออยงนหื ต้อให้รู้มันเคลื่อนที่ได้วะเนี่ยเอา้าผิดอีกแล้วเอาใหม่เอาใม่เอใหม่อย่างเงี้ยเรื่อยไปเดี๋ยวเราก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันผิดแล้วก็เอาใหม่เอาม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันก็จะกลายเป็นเออเดี๋ยวมันก็ไปเราก็จะทิ้งไปให้หมดทิ้งไปห้หมดที่สุดเราก็อันไหนที่มันเคลื่อนที่ได้ก็ถูกทิ้งไปถูกปล่อยวางไปถูกทิ้งไปถูกปล่อยวางไปเข้าใจไหม